อุทานต่อจากครั้งที่แล้วนะถ้าสังเกตดูให้ดีๆเนี่ ย, ยจากพุทธพจน์ ท, ที่พระผู้มีพระภาคอุทานหลายๆครั้งด้วยกันนั้นประกาศแสดงถึงว่าพระองค์นั้นมีปีติมีโสมนัสกับความปฏิบัติทีของพระสงฆ์ทั้งหลายนะหลายแห่งนี้พระองค์ในปีติโสมนัสกับพระอรหันต์ทั้งหลาย คุณสมบัติของพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้ น, <c oughs> น, นคือผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาวิมุตติยานทัทสนะคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานทัทสนะนั้นแต่ละอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพราะในบรรดาผู้ที่มีศรัท ธ, ธาทั้งหลายไม่มีผู้ใดมีศรัท ธ, ธาเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีศรัท ธ, ธาอย่างยิ่งมีศรัท ธ, ธาต่อผู้ที่มักน้อยสันโดษไม่ครุกคลีปรารบความเพียรพระองค์นั้นมีศรัท ธ, ธาต่อผู้ที่มีวิเวกนะมีกายวิเวกจิตวิเวกมีศรัท ธ, ธาต่อผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในศีลนะ ดำรงมั่นอยู่ในสมาธิปัญญาและวิมุตตเป็นต้นอนั้นคุณธรรมอย่างเมื่อวานที่พูดถึงยะโสชาสูตรในยะโสชาสูตรนั้นพระองค์ก็เลื่อมใสหรือมีศรัทธาในพระยะโสชะผู้ผู้บริบูรณ์ด้วยสมาธิ น, น ะ, ะสมาธิที่เป็นโลกยะและสมาธิที่เป็นโลกุตระซึ่งขนาดพระพุทธเจ้ายังมีศรัทธาเลยนะเราทั้งหลายก็ควรที่จะ มีศรัทธาเหมือนกันเนี่ยนะศรัทธาก็ควรที่จะดํารงมั่นเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นอย่างไรเสียกระโดดข้ามไปเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงๆเลยไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันข้อปฏิบัติที่ทําให้เป็นพระโสดาบันก็คือโสดาปฏิยังคธรรมสี่ประการการมีศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงใชไหม ศรัทธาอันนี้นี่แหละที่เป็นเหตุให้คบกับสัตบุรุษท่า น, นสัตบุรุษนั้นถ้าเราไม่เข้าไปหาท่านก็ยากที่เราจะรู้จักท่านการอ่านพระไตรปิฎกการฟังคำสอนเหล่านี้ก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งที่ทำให้เราได้คบกับสัตบุรุษเนี่ย น, นะเพราะว่าสมัยก่อนสัตบุรุษทั้งหลายท่านอยู่ในรูปแบบลักษณะเป็นบุคคล น, นะคือเป็นบุคคลที่มีชีวิตพอมาถึงบัดนี้ก็เหลือแต่ผลงานของท่านเหล่านั้น ว่าอันนี้คือร่องรอยของสัตบุรุษทั้งหลายร่องรอยของพระอรหันต์ร่องรอยของพระสาวกทั้งหลายการที่เราอ่านพระไตรปิฎกฟังพระไตรปิฎกเป็นต้นการอ่านการฟังเหล่านี้เนี่ยนะพร้อมกันทั้งการคบสัตบุรุษและการฟังธรรมของสัตบุรุษ เ, นะเมื่อฟังแล้วเราเอาไปไข้ครวนตามเอาไปเจริญตามไปปฏิบัติตามตามสติตามกําลังตามความรู้ตามความสามารถ อันนั้นก็เป็นโยนิสโมสมนศิการในการเจริญของเราอย่างไรจึงจะสมควรแก่การบรรลุมรรคผลที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะการศึกษาเนี่ยอย่างไรเสียแนวทางหรือแนวโน้มของเราจะต้องเพิ่มด้วยคุณธรรมคือศรัทธาโดยเฉพาะศรัทธาในพระรัตนตรยัยอันนี้อยากจะเน้นย้าอยู่เสมอว่าบรรลุมรรคผลโดยที่ไม่รู้จักพระรัตนตรยัยเป็นไปไม่ได้เพราะว่า การตรสัสรู้ธรรมนั่นแหละคือการรู้แจ้งในพระธรรมไตรมันถ้าเราปฏิบัติธรรมตรัสรู้ธรรมเท่าไหร่เราก็รู้จักพระธรรมไตรยมากเท่านั้นรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมและรู้จักพระสงฆ์มากเท่านั้นเพราะว่าพระธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่แฝงอยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่แฝงอยู่กับพระธรรมเพราะคําว่าธรรมะนั้นไม่ได้หมายถึงตัวหนังสือไม่ได้หมายถึงกระดาษ ไม่ได้หมายถึงสถานที่ไม่ได้หมายถึงหมึกปากกาเป็นต้นแต่หมายถึงคุณงามความดีทั้งหลายที่อยู่กับพระที่อยู่กับพระพุทธเจ้าคุณงามความดีทั้งหลายที่อยู่กับพระสงฆ์เ น, นี่ยนะนั่นคือพระธรรมมันถ้าเราเข้าใจพระพุทธุพระพุทธคุณเราก็รู้จักพระธรรมเรารู้จักพระสังฆคุณเราก็จะเข้าใจพระธรรมเพราะว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ที่เป็นธรรมราชา พระสงฆ์ก็คือผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในพระสัตยธรรมนี่มาขึ้นสารีปุตตรสูต ร, ตรเกี่ยวกับพระ้าหาันอีกสูตรหนึ่งในข้อ76หน้า322สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินธิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั่นแลท่านพระสาริบุตรนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดารงสติไว้เฉพาะหน้า ปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวาเนี่ยนะพราะพระสารีบุตรก็นั่งอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเจ้าปกติก็นั่งข้างขวาพระพุทธเจ้าพระองค์ประทับที่ไหนพระสารีบุตรนั่งข้างขวาพระโมคคัลลานั่งข้างซ้ายพระนนท์นั่งข้างหลังเป็นต้นนะนะพระผู้มีพระภาคได้เห็นท่านพระสารีบุตรนั่งโคบาลังตั้งกายตรงดำรงสติไวเฉพาะหน้าอยู่ในที่ไม่ไกล คือคำว่าเห็นในทีนี้เนี่ยเห็นด้วยตาเนื้อก่อนแล้วปัญญาของพระองค์ก็ใขคร่ครวนว่าพระสารีบุตรเนี่ยนั่งทำอะไรนะนั่งคิดอะไรอยู่นั่งเข้าอะไรเป็นต้นเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าภิกษุผู้ดุดภูผาดุดภูผาคือภูเขาหินแ้งคึบนภิกษุนี้ย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความสิ้นโมหะ เหมือนภูเขาหินไม่หวั่นไหวตั้งอยู่ดีแล้วฉะนั้นอันผู้ที่สิ้นโมหะนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ที่มั่นคงเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวไยกย ก, ยกโมหะเนี่ยนะถอนรากคือโมหะได้เสร็จแล้วกลายเป็นคนที่เลิกหวั่นไหวอธิบายตามลำดับเนี่ยน ะ, ะปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตตวาสตินี้เป็นอันปรากฏแล้ว ปรากฏด้วยดีแล้วที่ปลายนาศิกรหรือที่มุขนิมิต น, นะถ้าถ้าขณะที่ท่านเจริญสมถะกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกในบรรดากรรมาฐานทั้งหลายนี่ก็ยกอานาปานาสติขึ้นมาก่อนมันปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวาเนี่ยนะปรินี่แปลว่ากำหนดมุขขังแปลว่านำออกสติแปลว่าปรากฏมีอัฏฐว่าปรากฏ ใ น, นข้อความเกี่ยวกับปริมุขขังสติงอุปัฏฐเป ต, ตาวานี่นะข้อความนี้พิสดารอยู่ในปฏิสัมพิถามมรรคหรือในคำภีวิพังเป็นต้นในข้อนี้ความต้นและความหลังพืงเห็นสติควบคุมอารมณ์เอาไว้ทั้งหมดนอกนั้นพืงเห็นการประมวลส่วนเบื้องต้นแห่งสมาบัติคำว่าที่บอกว่าพระสารีบุตรนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดารงสติไว้เฉพาะหน้าเนี่ย หมายถึงสติที่เป็นไปกับอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นสติที่เป็นไปกับการเจริญสมถะและวิปั ส, สนาอีกอย่างหนึ่งฌานท่านเรียกว่าสติโดยยกสติขึ้นเป็นประธานเหมือนพุทธพจน์ที่ว่าพิสุใดบริโภคกายคตาสติพิสุนั้นชื่อว่าบริโภคอมตะและก็คำว่าสติตรงนั้นเนี่ยเป็นชื่อของฌาน เพราะว่าสัมปยุตธรรมเนี่ยนะอย่างจิตเจตสิกที่เกิดในองค์ชานี้มีกี่ดวงอย่างเช่นปฐมชาดมีจิตเจตสิกอะไรเกิดบ้างทุติยะชาดมีจิตเจตสิกอะไรเกิดบ้างเป็นต้นจะยกคุณธรรมตัวใดตัวหนึ่งในนั้นก็พอจะไม่ยกมาทั้งหมดนะนะตรงนี้ก็ยกสติขึ้นมาว่าสติในที่นี้หมายถึงชาดหมายถึงชาด น, นั่นแหละถามว่าชาดระดับไหนชาด น, นั้นนเป็นอย่างไรบอกว่าชาดอันสัมปยุตด้วยอรหัตผล คำว่าฌานในที่นี้หมายถึงโลกุตระฌานที่กระทำรูปราวจรจตุฌานให้เป็นบาทแล้วจึงเข้าหมายคาอว่าตอนต้นนั้นเจริญกรรมฐานที่เป็นสมถะเนี่ยนะเป็นอนาปานสติหรือกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งให้ได้ฌานที่สี่ออกจากฌานที่สี่ก็พิจารณาฌานสี่โดยอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อเข้าอารหัตผลสมาบัตินั่นแหละ ฌานนั้นน่ะรู้ได้ยังไงว่าภาษารีบุตรเข้าฌานที่สออกจากฌานที่สี่เจริญวิปัสสนาแล้วจึงเข้าอารหัตตผลสมาบัติรู้ได้ยังไงตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงประกาศความที่พระเถระไม่หวั่นไหวพร้อมด้วยคุณพิเศษเพราะประกอบด้วยอเนเชาสมาธิและความที่พระเถระนั้นเ ป, เป็นผู้อันใครๆให้หวั่นไหวไม่ได้โดยเปรียบด้วยภูเขาจึงเปล่งอุทานนี้เพราะเหตุนั้น ย่อมรู้เนื้อความนี้ได้ด้วยคาถานั่นแหละนะจากคาถาสองบรรทัดนั่นนะเห็นไหมไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวตัวนั้นหมายถึงอเนนชาอเนญชาตัวนี้บอกเลยว่า อ, อเนญชาสัพท์นี้เป็นตัวบอกว่าท่านพิจารณาจัตุทชากรพิจารณาฌานที่สี่ออกจากฌานที่สี่แล้วเข้าอารหัตผลสมาบัติเพราะคําว่าอเนญชานั่นเองหรือบางทีก็อาจจะออกจากอารูปฌาน ไดอารูปปชาหนึ่งแล้วเจริญวิปัสนาจนเข้าพระสมาบัติเพราะว่าพระเถระไม่ได้นั่งเพื่อแทงตลอดสัจจะใช่ไหมไม่ได้นั่งเพื่อปฏิบัติให้บรรลุโดยที่แท้นั่งเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมนั่งเพื่ออยู่ความเป็นสุขในปัจจุบันนนะอยู่เพื่อความสบายในปัจจุบัน เพราะในการก่อนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมแก่ทีฆะนักปริภาชกหลานของพระเถระที่ถ้ำสุกระขาตาพระมหาเถระสารีบุตรนี้ทรงถึงที่สุดกิจแห่งการแทงตลอดสัจจะพระสารีบุตรนี้บรรลุเป็นพระอรหรันต์วันไหนวันไหนวันมาฆาบูชาทนะ่านนึกถึงวันมาฆาบูชาเมื่อไหรก็ให้รู้ว่าวันนั้นคือวันที่พระสารีบุทบรรลุเป็นพระอรหรันต์บรรลุเป็นพระอรหันต์ตอน บายบายเนี่ยนะตอนเย็นก็ทําอะไรสาวกสนิบาตเนี่ยนะประชุมสาวกเรียกว่าจตุรงคสานิบาตการประชุมสาวกที่ประกอบไปได้วยองค์สี่ั้นตอนที่พระสารีบุตรนั่งกรรมฐานที่วัดพระเชตวันเนี่ยนะนั่งอยู่พระพุทธเจ้ามองเห็นท่านนั่งพระ อ, องค์รู้แล้วว่าพระ อ, องค์พระสารีบุตรนั่งเข้าอารหัตผลสมาบัติแล้วรู้ด้วยว่าก่อนที่จะเข้าอารหัตผลสมาบาัตินี่จเจริญกรรมฐานอะไรคิดอะไรมาเนี่ยนะรู้หมดเลย หลังจากที่พระองค์ทราบดังนี้แล้วเอตมัตถังเนี่ยนะเอตังบวกอัดถังอัดถังก็เนื้อความเอตังกรณีนี้นะรู้เนื้อความเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนแล้วคือทรงทราบโดยประการทั้งปวงซึ่งเนื้อความอัฏฐะเหล่านี้กล่าวคือความที่พระเทระอันใครใคให้วันไวไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรมาทําให้ใจของพระสารีบุตรวันไวอ่ะนะเพราะประกอบด้วยอนเนนชะสมาธิอันนะัคืออรหัตผลสมาธิ ขณะเดียวกันท่านเป็นผู้ที่คงที่ตาที่โนคงที่หมายถึงคงที่ในโลกธรรม8โลกธรรมแ8ดนั้นจะสุขจะทุกข์ท่านก็ใจเสมอกัรนจะได้ลาบจะเสื่อมลาบใจของท่านก็เสมอกันจะรับอารมณ์ที่น่าปรารถนาหรืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็เสมอกันจะได้รับยศนินทาได้รับความสุขหรือความทุกข์ท่านก็เป็นผู้คงที่คงที่ไม่ฟูขึ้นไม่ยุบลงด้วยอานาจ ฟูขึ้นปกติฟูขึ้นด้วยโลภะยุบลงด้วยอำนาจของโทสะเป็นต้นท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะท่านกําจัดมูลรากของโลภะโทสะได้แล้วรากของโลภะก็คือโมหะรากของโทสะก็คือโมหะพระองค์ประกาศความที่พระสารีบุตรใครๆทําให้วันไวไม่ได้ความที่พระสารีบุตรเป็นผู้คงที่ไม่วันไวเหมือนอะไรนะภูเขา ไม่วันไวเหมือนภูเขาคงที่ผู้ที่คงที่เนี่ยนะตาที่โนเนี่ยหมายถึงคุณสมบัติของผู้มีปัญญาผู้มีปัญญานั้นจะเป็นผู้คงที่ในทุกอารมณ์ะนะเพราะอนุภาพของปัญญาเนี่ยทำให้ไม่ยุบลงไม่ฟูขึ้นเพราะตัดต้นเหตุให้ตัดสาเหตุที่ทำให้ฟูขึ้นหรือยุบลงทั้งหมด ก็เลยพระองค์อุปมาว่ายะถาปิปัพะโตเสโลเนี่ยนะความว่าภูเขาศิลาเป็นแท่งทึบล้วนแล้วด้วยหินไม่ใช่ภูเขาดินร่วนนะนะไม่ใช่ภูเขาเจือดินแต่ภูเขาแท่งทึบเป็นภูเขาหินล้วนลวนอาจโลสุปติธิโตมีรากตั้งอยู่ด้วยดีไม่หวั่นไม่ไหวด้วยลมตามปกติ ภนะูเขาหินแท่งทึบเนี่ยจะเอาลมที่ไหนไปพัดไปพัดให้หวั่นไหวได้เอวังโมหะคยาพิกุ ป, ปับพโตวะนะเวทติความว่าภิกษุผู้ละอกุศลทั้งปวงได้เพราะละโมหะได้เด็ดขาดและเพราะอากุศลทั้งปวงมีโมหะเป็นมูลจริงๆนะอกุศลทุกชนิดเนี่ยนะมีโมหะเป็นมูลหมดเลยทั้งราคะโทสะโมหะบาปทุกชนิด ตัวที่ไม่มีมูลเลยคือโมหะเจตสิกที่อยู่ในโมหะมูลจิตอันนี้ไม่มีมูลเพราะตัวเองเป็นมูลอยู่แล้วไม่ได้อาศัยมูลอย่างอื่นแต่ถ้าในโทสะมูลจิตในโลภะมูลจิตนี้อาศัยมูลสรุปว่า โ, โมหะอวิชชาการไม่แทงตลอดสัจจะอันนี้ถือว่าเป็นมูลของบาปทุกชนิดถ้าละโมหะได้เด็ดขาดก็ชื่อว่าเป็นอันละอกุศลได้ทุกอย่าง ผู้ที่ละอกุศลได้ทุกอย่างอย่างนี้ย่อมไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวด้วยโล ก, กธรรมเหมือนภูเขาไม่สะเทือนด้วยลมตามปกติภูเขาไม่สะเทือนด้วยลมพผ้าหั่นก็ไม่สะเทือนด้วยลมปากโอ้ยลมปากเนี่ยนะมันทําให้ภูเขายังระเบิดได้เลยจะ ก, กล่าวไปใย่ถึงกันนี้นะใช่ไหมเพราะลมปากพูดมาพ่วงเดียวเนี่ยนะโอยภูเขาระเบิดกระจุยหมดเลยเพราะนั้นแต่ว่าพผ้าหั่นไม่สะเทือนด้วยลมปาก เพราะว่าลมปากเนี่ยเป็นเหตุให้ใจเนี่หวั่นไหวมากเลยใช่ไหมคําบางอย่างเนี่ยใจก็หวั่นไหวด้วยโลภะคําบางอย่างก็หวั่นไหวด้วยโทสะเนี่ยนะคำบางคําก็ให้ดีใจไปสามวันเนี่ยคําบางคําก็เศร้าใจไปตนตายอย่างเงี้นะนั้นลมปากเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพรานั้นผู้ที่ไม่หวั่นไหวด้วยลมปากได้นี่ถือว่าเป็นคนที่มั่นคงที่สุดนั้นพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่หวั่นไหวด้วยลมปากเนี่ยนะลมที่มีจิตเป็นสมุทฐาน จริงก็เพราะจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยเนาะอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่พระนิพพานและพระอรหันตท่านเรียกว่าโมหกขยะโมหกขยะหรือโมหกขยะเนี่ยนะหมายถึงว่าตัวที่ทําให้สิ้นโมหะเนี่ยคือพระนิพพานอารหันตผลนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์อรหัตผลที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าเป็นความสิ้นโมหะฉะนั้นภิกษุนั้นเชื่อว่าตั้งอยู่ด้วยดีแล้วในอริยสัจสี่ นะคือหมายเขาว่าแทงตลอดอริยสัจ ท, ทั้งสบรรลุพระนิพพานก็ทําอรหัตผลให้แจ้งเหตุที่ทําอราหัตผลให้แจ้งก็เพราะบรรลุพระารหัสใช่ไหมที่บรรลุผ้ารหัสก็เพราะสิ้นโมหะ อ, อ, อรหั ต, ตมรรคเนี่ยเป็นตัวถอนรากถอนโคนโมหะทั้งหมดโดยประการทั้งปวง แม้ในเวลาที่ท่านไม่เข้าสมาบัติก็ไม่หวั่นไหวด้วยอะไรๆเหมือนภูเขาอยู่แล้วจะกล่าวไปยัยในเวลาเข้าพระสมาบัติพระหันทั้งหลายเนี่ยนะปกติเนี่ยนะท่านยืนเดินนั่งนอนท่านก็ไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหมดท่านไม่ขนพองสยองเกล้าท่านไม่หวาดเสียวท่านไม่หวาดสะดุง้งนะด้วยอำนาจบาปอกุศลจะกล่าวไปยายถึงเวลาที่เข้าอารหัน ต, ตผลสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ขณะนั้นใจของท่านยิ่งไม่หวัน่นไม่ไหวเลย อันนี้ก็เป็นถ้อยคําเป็นพุทธพจน์ที่พระองค์อุทานประกาศถึงพระองค์นั้นมีศรัทธาในพระหันเขาบอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะดีใจเนี่ยนะก็มีอยู่เนี่ยพวกสิ่งเราเนี่ยที่ทำให้พระองค์ดีใจดีใจเห็นพระสาวกเข้าพร ะ, ะสมมาบัติเป็นต้นเนี่ยดีใจเพรา ะ, ะพระพุทธเจ้ามีอัธยาศัยเดียวอัธยาศัยที่ออกจากทุกข์พันถ้าหากว่าเห็นภระริยะทั้งหลายที่ออกจากทุกข์ได้สําเร็จ พระองค์ก็ดีใจพระองค์ก็ดีใจที่เห็นเห็นผู้อื่นถึงความทุกข์ไม่ใช่ดีใจที่เห็นคนอื่นเขาเดือดร้อน